สัรมทุกคนอยากไปคิดเรื่องอื่นในตั้งใจไว้กับตัวเองการคิดไปเรื่องอื่นพวกเราฉันเคยคิดไปกันตลอดเวลาแต่จิตใจที่จะสงบระงับดับกิเลสไม่เคยมี ชาคิดมาก จ, จิตใจฝ่งตรงมากเท่าไรความทุกข์ความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นเท่านั้นชาคิดจนเลยเถิดเลยแดนกเสียสติไป ค, คือใจไม่ได้พักผ่อนใจตามอารมณ์ใจตามทั้งขานฉะนั้นในขณะที่เราฟังธรรมะอย่าให้จิตคิดปรุงไปเรื่องนอกให้จิตรับฟังธรรมะ อย่างเดียวจิตสัมผัสอยู่กับธรรมะเพราะการฟังธรรมะไม่ใช่ทางเผิดเทินไปในทางผิดธรรมะเป็นเปลือกปอมจิตใจสงบไม่อย่างนั้นก็มีการเสียหายอะไรฟังธรรมะสียาชาตีตลอดถึงจิต เป็นขิดกันกับเรื่องของโลกเรื่องของโลกที่เราฟังกันตาที่เห็นหูที่ได้ยินก็เป็นสิ่งที่่อายุจิตใจให้เกิดกิเลสตัณหาความหลุ่มหลงเสิ่เทิญต่างๆนานาทำให้เทิญทำให้ลืมตัวลืมตายแต่การฟังธรรมะทันยนเข้ามาทายใน คือมาพิจารณากายใจของตนเพราะคนผู้พูดธรรมะก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษวิโสไม่มีอะไรที่จะสดิดแตกแตกต่างไปจากพวกผู้ฟังพระพุทธเจ้าที่นำธรรมมาสอนโลกท่านก็สอนจากกายจากใจที่ท่านเคยปฏิบัติที่นี้พิจารณามาสมัยปัจจุบันทุกวันนี้ พอทำนองเดียวกันพูดพูดพอพูดถึงเรื่องกายใจพูด ฟ, ฟังต่อกายใจเป็นเครื่องฟังถึงธรรมะนั้นจะพูดบ่อยคลั่งเท่าไรต่อไม่มีการผิดการเสียหายอย่าไปคิดว่าอันนี้เราเคยสดับรับฟังมาแล้วอันนี้เรารู้แล้วเราพอใจแล้วแต่กิเลสข อ, องเรายังมีจำเป็นจะต้องฟังจำเป็นจะต้อง ทนี่ที่เจริญนาจําเป็นจะต้องรักษาความดีของเราไว้ความชั่วที่มีอยู่ก็กาจัดออกไปเหมือน ก, นกันกับเราทานอาหารถึงข้าวปลาอาหารเราเคยทานอยู่ทานก็ลงไปทานลงไปในปากในท้องของเก่าแต่เราก็ไม่เบื่อหน่ายหิวมาเมื่อไรก็ทานลงไปการที่เจริญนาจิตใจแก่ชิลิ่งก็ทํานองเดียวกัน พิจารณาที่กายที่จิตของตัวเพราะจิตมันหลงจิตมันคล้องจิตต่องทิฏฐิพิจารณาหาจิตรู้จิตเข้าใจการพิจารณาธรรมพิจารณากายพิจารณาใจก็เป็นวิหารธรรมเป็นส่งอยู่ของผู้ใหญ่เป็นส่งอยู่ของผู้มีธรรมเข้าใจเจ้าถึงแม้จะหมดกิเลสตัญหาแตนก็ยังทรงธรรมอยู่พิจารณาอยู่ รธรรมะยังมีการเข่าสมาธิสมาบัติกันอยู่แต่ไม่เข่าเผื่อละเผื่อถอนเพื่อแก้กิเลสตัณหาเพราะจิตของท่านหลุดร่วงไปแล้วเข่าเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นทิ่สบายพระไถ่ของพระองค์พวกเราท่านการกำหนดธรรมจะการฝึกจิตอารมณ์ใจก็ฝึกเผื่อแก้ไขกิเลสตัณหา เพราะเรายังมีกิเลสปัญหาอยู่จิ่งต้องฝึกตองอบรมฝ้องแนสอนตัวเองพอใจเป็นผู้ที่หลุมหลงเมื่อลุมหลงทางแกไขก่อแกไขด้วยส ต, ติด้วยปัญญาที่นี่พิจรารณาเรื่องต่างๆที่หลุมหลงนั้นให้ลดน้อยถอยลงหรือให้ละถอนจากความลุมหลงนั้นนัน การพิจารณาธรรมะเป็นทางแก้ไขกิเลสตัณหาแก้ไขใจที่ลุ่มหลงติดข้องพรอธรรมะสอนเรื่องของจริงของจริงก็ไม่มีอยู่ที่อื่นก็มีอยู่ที่กายที่จิตเมื่อกายจิตจิตตรงที่นี้ทีรณาดูของจริงเจรงญที่เคยลุ่มหลงติดข้องมันก็ลัดถอนไปพอใจเห็นจริงเข้าใจจริง นี่เป็นการพิจารณาธรรมะเราจะพิจารณาเรื่องผมเรื่องขนเลีวบันอะไรได้ทั้งนั้นเพื่อแก้จิตใจที่หลุ่มหลงหรือสายแสไปตามอารมณ์สัญญาต่างๆให้หยุดอยู่ในกายของตัว <c oughs> <c oughs> การพิจารณากายพิจรารณาแยบคลายเท่าไรไม่มีทางผิดใจอันเดียวนั่นแหละหาพิจารณากาย ญิงชยเพื่ความสวยงามพิจารณาไปทางให้เลียดตัณหาเกิดขึ้นหลุมหลงเพลิดเพลินก็ได้กายของเก่าถ้าเราพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุภังพิจารณาอนิจจังสุขังอนัตตาพอเป็นเรื่องแก่เกลียดตัณหาความเพลิดเพลินต่างๆให้ลดถอยไปนี่เป็นเรื่องอุบายสอนใจของตัวควรกําหนด ที่นี้ทีจะไดนาไม่มีอะไรอื่นที่จะหลงนอกจากจิตจากใจของเราหลงเพราะกายมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันเกิดมาแล้วก่แก่ก่ตแตกสลายเรื่องของกายเป็นอยู่อย่างนั้นเราหลงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเรารู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นโดยความไม่เห็นธาตุขันเรื่องของกายตามเป็นจริง เ่อสิ่งที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นมันแปลปวนเปลี่ยนแปลงหรือเกิดเกียบใข่ได้ทุกจิตตัวเลยเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะไม่รู้ไม่เอใจอยากจะให้มันดีมันหายอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไม่ได้สมปรารถนาใจก็เกิดความเดือดร้อนแผละเผาตัวอีกฉะนั้นเมื่อเราคิดนิพพยนาอยู่สม่ำเสมอในความแก่ความเกลียบความตายของตัวเอง เมือถึงคราวถึงสมัยตามตายมาถึงเขา้าโดยอำนาจที่เราเคยกำหนดที่เจรนาอยู่รู้อยู่เข้าใจจริงในความตายกว่าทุกคนหรือสัตว์ที่เกิดมาจะต้องเป็นไปอย่างนั้นพอถึงตัวของเราเข้าจริงจังเราก็ไม่หลงไหลไม่เสียใจเพราะเข้าใจตามเป็นจริงว่ามันเกิดมาแล้วก็ต้องมีแปร่ปวนและแตกสลาย ไม่มีลายใดที่จะเหลือหลออยู่ได้จะเป็นไปํานองเดียวกันทั้งหมดเมื่อคิดได้อย่างนั้นที่ใจนาอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านก็นจะไม่เฮือมหลงไหลจะเชื่อว่าคนตายไปแล้วไม่มีอะไรอื่นที่จะจิตตนตามตัวไปนอกจากกรรมที่สะสมเอาไว้ในเมื่อเวลาเรายังไม่ตาย กรรมดีกรรมชั่วที่เราสร้างเอาไว้จะเป็นเพื่อนของเราติดตามไปสู่ภบน้อยภบใหญ่ตามอำนาจของกรรมที่ตนสร้างเอาไว้กรรมจึงเป็นผู้มีอานาจเหนือมนุษย์เหนือสัตว์สามารถที่จะนำจิตใจของสัตว์ของบุคคลที่สร้างเอาไว้ให้ไปสู่ภบน้อยภบใหญ่สุขและทุกข์ ตามอำนาจของกรรมที่สร้างเอาไว้ไม่ใช่ว่าเราเกิดมาได้ตามปรารถนาของเราเกิดมาจากอำนาจของกรรมเท่านั้นกรรมดีสามารถที่จะให้ไปเกิดในสถานที่ดีสุคติโลกสวรรค์แต่ปัจจุบันทุกวันนี้คนไม่เชื่อเพราะเขามีพาหนะ ปโปรภารจันยร์โพรภังคารไม่เคยเห็นเทวดาวิมานที่ไหนสำหรับตำราทางศาสนาอาจจะโกหกพวลลมเขาเข้าใจกันไปแบบนั้น <c oughs> คนไม่ค่อยเชื่อศาสนาก็ไม่ได้ศึกษาถึงเรื่องของกรรมเขาเรียนแต่ทางแผนวิทยาศาสตร์เรื่องของศาสนาเรื่องของพระจริงจัง ไม่ค่อยเดยศึกษาเราเรียนกันถึงนับถือศาสนาพุทธก็นับถือตามประเพณีที่ดีดามารดาเคยนับถือมาก่อนแต่ตัวของศาสนาพุทธสอนอย่างไรเราเคยฝึกกายฝึกใจของเราเข้าถึงศาสนาพุทธหรือไม่ไม่ค่อยเลยคํานึงคํานวณหาแต่เมื่อเขาถามโกโ่ะถือศาสนาพุทธพุทธศาสนาสอนอย่างไรโดยส่วนใหญ่อาจจะตอบเขาไม่ได้เพราะเรา มัวไปศึกษาเรื่องใหม่เรื่องศาสนาจริงจังไม่พอเขอะอกพอใจศาสนาพุทธนั้น่านสอนเรื่องของกรรมเป็นสำคัญให้คนเชื่อกรรมเพราะกรรมนั้นคือการกัดทำการพูดการคิดเรียกว่ากรรมทุกคนเกิดมาจะต้องมีการทำการพูดการคิดแต่การทำการพูดการคิดนั้นมีการผิดการถูก การดีการชั่วกรรมดีที่เราทำไปผูดไปคิดไปจะทำจิตใจของผูดทาผูกผูดผูกคิดให้มีอำนาจให้มีความสุขให้มีความเย็นใจในปัจจุบันเราก็ทราบได้คนที่สร้างกรรมดีดวยกายวาจาใจคนนั้นจะไม่เป็นทิศเป็นภยัยไปสถานที่ใด สะดวกสบายสง่างามในสถานที่นั้นไม่โลบหลีกตีกตัวเป็นคนตล้าหาญองอาจในสถานที่ทั่วไปเพราะเหตุใดเพราะเขาไม่มีกำชั่วที่สร้างเอาไว้ไปสถานที่ใดก็ไมกกลัวคนจะมากับจับคุมคุมตัวไมกกลัวคนจะมาดา่ามาว่าต่างๆเพราะ ความดีของเขาสั่งเอาไว้แต่ทําทกรรมชั่วปัจจุบันทันตาก็พอเห็นได้คนที่ทํากรรมชั่วมากๆไม่สามารถอาจเข้าไปสู่สังคมใหญ่ๆได้หรือไม่อย่างนั้นกลางวันเขาก็มากอยากหลบตัวอยู่ในบ้านหลบตัวอยู่ในปา่าเพราะกลัวเจ้าหน้าที่เพราะกลัวคนอื่นจะข่าตีเพราะเรา ส้างกรรมสั่วเอาไว้กลัวตลอดถึงสัตว์ไม่ว่าแต่มนุษย์ด้วยกันนอนหลับนอนฝันมีเสียงอะไรดังขึ้นก็กลัวเขาใจว่าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของทรัพย์เขาจะตามมาจับกลุ่มตัวนี่ก ร, รมชั่วให้ผลปัจจุบันแถดเขาแห้เขาเร่าร้อนไม่มีความสุขความสนุกสบายกำรรชั่ว ในปัจจุบันเราก็พอทราบได้เข้าใจถึงถา้าพิจรารณาในทางหน้ากรรมที่สั่งเอาไว้จึงเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลสําคัญสามารถผลักดันตัดนั้นนั้นให้ไปเกิดในสถานที่ชั่วที่เสียเพราะกรรมชั่วกรรมดีก็ผลักดันให้คน น, นั้นนั้นไปเกิดในสถานที่ดีได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อตรงนั้นไม่เป็นปัญหา เหมือนกันกับไฟเราจะเชื่อว่าร้อนหรือไม่เด็กไม่เคยรู้จักไฟไปจับต้องไฟก็ร้อนเหมือนกันผู้ใหญ่ที่เคยรู้จักถ้าไปจับก็ร้อนเหมือนกันคำชั่วคนเชื่อหรือไม่เชื่อจึงไม่เป็นปัญหาถ้าเขาทำลงไปพูดออกไปคิดออกไปคนนั้นจะได้รับความเปร่าร้อนในตัวของเขาไม่มีความสุข ควาเยือกเย็นความสบายได้กรรมดีถึงสิ่งนั้นเขาไม่ทราบว่าเป็นกรรมดีแต่เขาทําไปในแง่ดีมุมดีพูดไปในทางดีคิดไปในทางดีเขาเองหรือคนอื่นที่เห็นเข้าก่อสรรเสริญเขาเองก็เยือกเย็นภายในใจนี่เป็นเหลืองของกรรมดีกรรมดีกรรมชั่วจึงจำแนกสัต ให้ผิดแปลกแตกต่างกันทั้งท้งขี่เป็นมนุษย์ก็ไม่เหมือนกันเป็นสัตว์ก็ไม่เหมือนกันที่อยู่ขี่อาศัยแต่หลอดถึงโลกใครไข่เก็บผิดแปกแต ก, กต่างกันเพราะกรรมที่สั่งมาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ที่นิ้พิจารณาให้เชื่อกรรมคนเรามีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมที่ทําเอาไว้จะจําแนกแจกสัตว์ให้ไปเกิดในสถานที่ผิดแปกแต ก, กต่างกัน มีความสุขความทุกข์แปลกกันฉะนั้นทุกท่านที่มีใจยังเกี่ยวข้องอยู่ในวัตตะสงสารโดอจิตใจยังไม่พ้นไปจากเรื่องของโลภโกรธหลงเรื่องของกิเลสตัณหาแล้วจะต้องตกอยู่ในอำนาจอิทธิพลของกรรมกรรมจะต้องจำแนกให้สัตว์หนนั้นให้คนหน น, นั้นได้รับสุขทุกข์ ผลของกรรมเว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าผู้หมดกิเลสกรรมไม่สามารถที่จะนำให้ผลได้เพราะเหตุใดเพราะใจของท่านหลุดออกไปแล้วพ้นไปแล้วเรื่องของกรรมต่างๆจะตามได้ตามถึงพอแต่ใจยังไม่พ้นยังไม่หลุดจากกิเลสตัณหาแต่เรื่องของกายกรรมจะต้อง นำตามสนองในเมื่อกายยังมีอยู่รูปประคันยังมีอยู่ผู้จีเป็นพระอาหารอาหันตอรหันต์อย่างพระโมคคลานะหรือพระ <c oughs> อะไรพระหิยะท่านกลัวเป็นพระอาหารหันต์แต่กรรมของท่านเก่าก่อนที่สร้างเอาไว้ก็ยังตามสนองให้ท่านได้รับทุกลำบากถูกโจนฆ่าถูกวัวสิ้ตาย ยังตายห ง, หงตายหาได้พระอรหัตอรหันนี่คือกายยังมีอยู่ตายกว่าตายแต่เพียงกายส่วนใจไม่ได้ตายไม่ได้เสียวัาผิดตายตายหงอย่างนั้นท่านก็ไม่เสียใจเพราะเหตุใดเพราะความเสียใจดีใจของผู้ที่หมดกิเลสไม่มีทุกข้องใจไม่มี ท่านยิ่งอยู่สะดวกสบายจิตแตกแตกต่างกันแต่พวกเราท่านที่ไม่เคยฝึกอบรมไม่เคยที่นิทิใจานาไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติถึงพูดไปก็ไม่เข้าใจในแงน่นี้แต่ถ้าผู้เคยฝึกเคยปฏิบัติยังผลของจิตจี่สงบระ ง, งับก็จะเข้าใจว่าความเป็นของกายกับของใจนั้นเป็นคนละอันละอย่าง หากสงบอยู่ทุกระยะทุกเวลามีความสุขตามสบายมากทางศาสนาทให้เชื่อกรรมให้หลีกเลี่ยงกรรมที่ชั่วประพฤติกรรมที่ดีเพราะกรรมดีจะมีผลให้สุขแก่ตนผููประพฤติปฏิบัติเมื่อเราพิพจารณาเรื่องกรรมให้ถึงใจใจจะเชื่อ ในเรื่องข้องกรรมไม่กล้าทำสิ่งที่ชั่วไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดพอพูดไปแล้วทําไปแล้วคิดไปแล้วมันเป็นทางเดือดร้อนวุ่นวายแหดเผาตัวเองถึงทาให้คนอื่นสัตว์อื่นตัวเองก็ตตาหนิตัวเองได้เพราะความชั่วที่ตัวทำไปพูดไปนั้น <c oughs> นั้นมันเป็น กรรชั่วกรรมเสียดังนั้นเราจะหลีกเลี่ยงกรรมได้ก่อนในเมื่อเรายังไม่ตายเมื่อตายไปแล้วเป็นหน้าที่จะเสวยผลกรรมไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปได้ไม่เหมือนกฎหมายเรื่องของกรรมอาจไม่มีทางแก้ไขหากแก้ไขได้คนที่เคยเป็นทนายเรียนกฎหมายมาเก่ง โกงเขาจินทำชั่วเสียต่างๆก็จะไปโกงได้ว่าฉันจะแก้ใช้แง่นั้นมุมนั้นมันแก้ช้ไม่ได้เรื่องของจาเป็นเรื่องผูกมัดจำยอมอย่างความเกิดเป็นต้นคนเราชอบเกิดในสถานที่ดีมีความสุขทุกคนปรารถนาอย่างนั้นแต่ก็เลือกไม่ได้ ถึงคนจะรู้กฎหมายหรือไม่รู้กฎหมายก็าตามเลือกเกิดไม่ได้นอกจากกรรมจะจำแนกให้เกิดตามตามข้องตนที่ก่อสร้างเอาไว้ถึงเกิดในคันบิดามารดาเดียวกันลูกพันสันธานตลอดถึงสติปัญญาโรคภัยไข้เจ็บมีผิดแปกแตกต่างกันด้วยอำนาจของกรรมที่สัตว์นั้นนั้นสร้งางออกมา ไม่อย่างนั้นคนจะเหมือนกันทั่วโลกไม่มีบุคคลผู้ใดจะทุกข์ยากลาบากไม่มีบุคคลผู้ใดจะมีโครคภัยไข้เจ็บไม่มีบุคคลผู้ใดจะเป็นใบบาเทเสียจริตเพราะทุกคนไม่ปรารถนาความชั่วแต่การทําถึงไม่ปรารถนามันก็ได้รับไม่ปรารถนาแต่เราทําอยู่ มันได้รับผลกรรม น, นั้นนั้นฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาให้ถึงใจแก้ไขตัวเองถ้าไม่ต้องการความชั่วไม่ยินดีอย่ารับความชั่วพอแก้ตัวอย่าไปทําไปพูดไปคิดในทางชั่วนั้นเมื่อเราแก้ตัวของเราได้ไม่ยอมทํายอมพูดยอมคิดในทางชั่วทางเสียความชั่วก็ไม่สามารถที่จะ ติดตามตัวของเราไม่สามารถที่จะบังคับเราให้ชั่วให้เสียต่างๆที่จรนายุบเพินในเรื่องของโลกขอพอทราบได้ว่าเรื่องของกรรมมีอำนาจเหนือทุกอย่างไปไม่ใช่เรื่องอื่นที่จะทำให้สุขให้ทุกเป็นเรื่องของกรรมอย่างคนเกิดมา คนมีกรรมดีเกิดมาก็ไม่เห็นว่าหอบเข้าของเงินทองมาได้คนมีกรรมชั่วเกิดมาก็ไม่เห็นใครหอบหิวหาบหามอะไรมาเกิดมาก็มีแต่ตัวเปล่าๆทุกลายไปนี่การพิจารณาถึงเรื่องของกรรมถึงอย่างนั้นกรรมภายในใจกรรมที่มีไว้เป็นมรดก ผิดกันถึงเกิดมาแต่ตัวเปล่ า, า, าเหมือนกันต่อตามพอเติบใหญ่ขึ้นมากรรมจะสนับสนุนให้เขาฟูนั่นนั้นผิดกันคนที่มีกรรมชั่วจะต้องโง่เขาไม่มีทางที่จะศึกษาเราเรียนมีวิชาความรู้ถึงประกอบอาชีพต่างๆ ก็ชอบถูกแต่สิ่งที่ไม่เหมาะสมโดนแต่เรื่องทุกข์ควรจะร่ำรวยได้สมบัติก็มีสิ่งโดนบันดาลให้คนนั้นนั้นอับจนลงไปได้มีเงินทองเข้าของขึ้นมาก็มีโรคภัยเบียดเบียนเข้าเงินทองสีหามาได้ก็ไปเยียวยารักษาตัวไปพอหมดจนก็หาใหม่ อยู่อย่างนั้นคนที่มีกรรมดีถึงเขาเกิดมาตัวเปล่าเหมือนกันแต่เขาเหล่านั้นเกิดมามีกรรมดีสนับสนุนทำให้มีบุคคลเช่นดีดามาันดาหรือผู้หลักผู้ใหญ่อนุเคราะห์สงเคราะห์ดูแลรักษาการศึกษาของเขาปอศึกษาดีมีสติมีปัญญา มีความขยันหมั่นเพียรรู้จักผิดถูกดีชั่วต่างๆจนมีฐานะหน้าที่ดีเด่นคนที่มีกรรมชั่วไม่เป็นอย่างนั้นถึงศึกษามาได้พอสมควรแต่เท่าว่า่หน้าที่การงานจะทำก็ไม่มีเพราะกรรมดีไม่อำนวยให้มีแต่กรรมชั่วเลยเป็นคน อดอยากยากจนทําการทํางานอะไรก็เกลียดพรานไม่เอาฐานมันปกปิดไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกรรมชั่วปกปิดเลยเป็นคนอดอยากอยากจนโรภคภัยไข้เจ็บก็ามักเบียดเบียนบ่อยนี่กรรมชั่วที่เราทําลงไปโดยกายวายาจใจมันให้ผลอย่างนั้นถ้าหากเราทุกท่านพิจารณาก้ควรจะละเรื่องชั่วบําเพ็ญ เรื่องิดีเอาไว้ถึงแม้จะมีพบชาติต่อไปด้วยกรรมดีที่เราสะสมเอาไว้เราก็ยังจะมีความสุขกายสุขใจพอสมควรไม่เหมือนกรรมชั่วยิ่งตัวมนุษย์เราทุกคนถือว่ามนุษย์เป็นชาติที่สูงสุดสามารถที่จะพืชปฏิบัติคุณงามความดีได้ เพราะพรพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์อรหัตอรหันก็เป็นมนุษย์อินพมยมยักษ์ต่างๆก็สร้างไปจากมนุษย์แต่มนุษย์เราตาเนื้อไม่สามารถที่จะมองเห็นพวกรูปคิปได้ถึงจะมีภาชนะไปเที่ยวพระจันทร์ท า, างทานกอนตามก็ไม่สามารถที่จะเห็น ปราศาสตร์วิมารเห็นเทวบุตรเทวดาเพราะเหตุว่าตาเนื้อแต่ถ้าผู้มีตาทิ์อาจสามารถเห็นได้ว่าเป็นอย่างไรนั่นแล้วก็ไม่ต้องปเปกเวักเขววนอยากจะรู้อยากจะเห็นขอให้ศึกษาคิดพิจารณากำหนดตัวข้องตัวให้จิตสงบจิตระ ง, งับดับกิเลสเรื่องจะเห็นจะรู้ ต่างๆนั้นมันเป็นไปเองถ้าเรามีอำนาจบาทรนาขอให้สั้งหน้าระพืชปฏิบัติกรรมดีกายกาาาขอให้ทาดีวาจาปล่อยพูดดีจิตขอให้คิดดีวันนี้เป็นวันธรรมาสวาัสเป็นวันอุโบสถเป็นวันขี่ขามาสงบระงับจิตการงานบ้านช่องต่างๆเราได้ปล่อยวาง ละชิงมาอบรมจิตใจของตนให้สงบระงับพักผ่อนด้านจิตแต่ถ้าหากเราไม่มีสติปัญญาแน่สอนตนไม่มีอุบายที่จะทำตนให้สงบจะเป็นวันอุโบสถวันพระวันโกนอะไรก็าตามอยู่วัดอยู่วาเงียบสงัดขนาดไหนก็าตามแต่เรื่องของจิตใจ ที่ไม่มีสติรักษาไม่มีปัญญาเนียสอนไม่เอาจริงเอาจังในการตังวรระวังตัวเองจิตนั้นจะไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาจะสงบระงับฉะนั้นโอกาสเวลาที่เราเสียสละจิตการบ้านเรือนต่างๆมาวัดมาวามาอบรมภาวานาก่อยสอนใจของตัวอย่าไปคิดไปปรุงเรื่องใหม่ เราจะตั้งใจกำหนดบทบริกรรมพุทธธรรมสงอะไรก็ให้ตั้งใจกำหนดจริงๆให้จิตสัมผัสอยู่กับคำบริกรรมของตนอย่าไปกังวลกับอารมณ์ต่างๆหากเราจดจ่อตั้งมั่นจริงจังจิตของเราที่เคยสายแส่ไปตามสัญญาอารมณ์จะมารวมตัวอยู่ในคำบริกรรมนั้นต่อไป ใจก็จะรวมลงสงบระ ง, งับขาดสัญญาเวทนาสัญญาหมายถึงความหมายเวทนาหมายถึงสุขทุกขต์ต่างๆมันดับระ ง, งับธาตจิตรวมจริงจังแล้วจิตจะมีความเบาจะมีความสบายมีความสว่างสวัยซึ่งเราท่านไม่เคยประสบพบเห็นมา ก, ก่อนว่าจิตแบบนี้ มันดีมันเด่นมันเลิศมันประเสรฐกว่าการรู้การเห็นสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นด่านวัตถุมากขนาดไหนเมื่อใจได้สัาผัดอาจทำที่เราปากเพียนพยายามปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดในตัวก็จะเชื่อว่าทาคําสอนของพระพุทธเจ้ายังเป็นอาการลิโกคงเส้นคงวาเราปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดอยู่ คนอื่นเขาจะกล่าวตู่ดูหมิ่นว่าศาสนาล่วงไปไม่มีมรรคผลอะไรใครจะปฏิบัติอย่างไรก็ไม่สามารถจะรู้จะเห็นจะดีจะเด่นได้นั่นมันเป็นลมปากของเขาเขายังไม่เลยประพฤติปฏิบัติเขาไม่เห็นแต่เราที่เห็นอยู่เพราะว่าอย่างนั้นเราก็ไม่เลยลหลงไหลไปตามลมปากของเขาเพราะเรารู้เราเห็นเราเป็นในใจของเราแตนั่นการประพฤติปฏิบัติ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่านควรสนใจผู้ที่ต่องการความสุขความเจริญประพฤติปฏิบัติก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติที่อื่นกำหนดกายกำหนดจิตของตัวนี่แหละระยะที่เรามานั่งฟังทรรมหรือนั่งภาวนากายไม่ได้ไปทาผิดศีลข้อไหนอยู่สงบเงียบวาจาก็ไม่พูดสิ่งที่จะเสียหายเป็นเสนียดจันลัย เป็นไปในทางชั่วเราระงับดับเอาไว้ทุกอย่างตาก็หลับทีนี้พิจรารณากําหนดบททำอะไรตั้งใจกําหนดอยู่นั้นจิตเมื่อมันสงบได้ระ ง, งับได้ความสุขความสบายจะเกิดขึ้นเราจะเอาการใดเวลาใดนอกจากที่เรายังมีชีวิตอยู่จะไปอ่านการอ่านเวลาวันฉาตดนน สาสนี้จึงจะทำไม่ได้เพราะจิเลตัญหายังมีอยู่เหมือไไรเราจะต้องำํำระแก้ไขใจของเราปุ่งๆหรือรับความทุกข์อย่างไรเราเคยทราบดีความสงบสุขเป็นอย่างไรเรายังไม่เคยทราบเราต้องทำให้เกิดให้เห็นให้เป็นในตัวเราจะทราบรดศาสตร์ของการปฏิบัตริรดศาสตร์ของธรรมะ หากไม่เป็นของจริงไม่รู้ไม่เห็นไม่ดีไม่เด่นก็ไม่มีกฎหมายขอนใดบังคับบัญชาให้คนมาศึกษาให้คนมาภาวนาให้คนมาบวชเรียนเช่นอ่านด้วยอำนาจของจริงมีอยู่ผู้ประพฤติปฏิบตัติรู้เห็นเด่นชัดในท่านท่านจริงขยันท่านจริงยอมเสียสละจริงต่าง มาประพฤติปฏิบัติเพราะท่านเห็นชัดในการปฏิบัตินั้นว่าได้รับความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งทั้งที่ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วก็กฎหมายไม่ได้บังคับบัญชาว่าพวกนักบวชพวกนักภาวนาจะไปนั่นไปนี่ไม่ได้ไปได้ทำได้เพราะร่างกายของฉันมีมนุษย์มีสิทธิ์อย่างไร ผู้ประกอบพชปฏิบัติก็มีสิตเหมือนกันที่จะไปดูได้ฟังได้ทําได้แต่อำนาจจิตใจที่รู้เห็นในอาจในธรรมบังคับท่านเองแน้สอนท่านเองเพราะสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปเพลิดเพลินหลวงไหลท่านใครคิดที่นี้พิจารณาว่าไม่มีสาระไม่มีประโยชน์เท่ากันกับการฝึกอบรมจิตใจของท่านท่านจึงมีความเชื่อมั่น ต่งใจประพฤติปฏิบัติยอมเสียสละไม่ชีวิตของท่านอุทิศต่อพระพุทธศาสนาด้วยอจะตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำจัดปัดเป่าเรื่องความชั่วเสียต่างๆให้ตกออกไปจากกายจากใจของท่านศาสนามีหลักความจริงอยู่อย่างนั้นถ้าหากไม่มีหลักความจริงผูดด้ใดประพฤติปฏิบัติก็ไม่รู้ไม่เห็น ไม่เป็นอะไรให้ใครเล่าจะเชื่อจะเลื่อมใสจะยินดีเต็มใจประพฤติปฏิบัติเพราะทําไปแล้วไม่ได้ผลตอบแทนอะไรนี่ยังนี่ผลเพราะทําเป็นอากาลิโกไม่มีการมีเวลาเป็นสันทิฏฐิโกปูกประพฤติปฏิบัติรักษารู้เองเห็นเองทางนั้นแต่นั้นพวกเราท่านจงพากันประพฤติปฏิบัติ อย่าไปอ่างการอ่างเวลาอย่าไปสงสัยลังเลเมื่อตั้งใจทำจริงความจริงจะเกิดจะเห็นในตัวของตัวไม่ต้องไปไต่ถามจากคนอื่นเพราะกิเลสมันก็มีอยู่ในใจของเราความสงบระ ง, งับดับกิเลสมันก็มีอยู่ในตัวของเราไม่ได้มีอยู่ที่อื่นการภาวนาก็คือการชาระใจชาระอารมณ์ ทำจิตให้นิ่งทำจิตให้พักทำจิตให้มีกำลังหากเราทุกคนสนใจประพฤติปฏิบัติความสุขหรือมรรคผลจี่พระพุทธเจา้ากล่าวเอาไว้มีตำลับตำลาเป็นภัยยานก็จะไม่เป็นโมฆะสำหรับเราดังนั้นขอทุกท่านจงนำไปฝึกผลอบรมและ ปฏิบัติจะเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะก็อยู่ที่ตัวของเราเองมรรคผลเป็นโมฆะก็เพะเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติให้รู้ให้เห็นถึงพระพุทธเจ้ายัางอยู่ผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ฝึกไม่อบรมตัวมรรคผลก็อยากเป็นโมฆะสําหรับเขาคนนั้นพระพุทธเจ้าคนนี้นิพพานไปแล้วผู้ประพฤชิปฏิบัติ ต, ตามอัตธรรมจริงจัง ท่านก็ไม่มีทางสงสัยท่านมเป็นโมฆะเกิดมามีสาระเพราะได้ศึกษาเพราะได้ที่นี้พิจรารณาอัดทมได้ปฏิบัติอัดทมท่านไม่เสียใจในการเกิดการตายของท่านฉะนั้นเราทุกคน ม, มีการสนใจขอให้พากาันสำเพื่อปฏิบัติ อย่าไปเชื่อเรื่องกิเลสตัณหายั่วยุควนปันอาศัยอรรัดทมที่เราได้สะดับรับฟังฝึกอบรมใจของตัวใจที่เคยแสบสายขนองต่างๆจะเข้ามาสงบเมื่อใจสงบความสุขก็เกิดขึ้นนี่เป็นพื้นฐานที่จะให้เราเชื่อ เราเลื่อมใสเต็มใจประเพื่อปฏิบัติขอทุกคนจงนำไปที่นิพพิจนาการอธิบายธรรมะขอเห็นว่าพอต้องควรใชเวลาเพราะยุติเพียงแค่นี้